ไม่มีวันสิ้นสุดลงได้แต่ถึงกระ น, นั้นก็ยังดีกว่าไม่ทำเสลยดูก่อนดูบาศก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 พูดดีทำดีผลดีก็เกิดขึ้นจริงไหมอุบาสกเป็นความจริงทีเดียวพระกุจศลซึ่งบางเวลาความอยากได้ความกระหายจะเข้ามาแทรกจิตใจทําให้จิตใจกระวนกระวายคล้ายเสือหิวที่ติดอยู่ในกรงบางเวลาความขุ่นเคืองโกรธแค้นจะเข้ามาแทะจิตใจทําให้เจ็บปวดประดุดถูกแทงด้วยเหล็กแหลม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 หายโศกเศร้าแล้วพระคุณเจ้าดีแล้วเอาละพาอาตมาไปที่บ้านท่านเถอะบ้านข้าพเจ้าถูกเพลิงเผาพลานหมดแล้วนั่นแหละอาตมาต้องการไปเห็นถ้าเช่นนั้นเชิญพระคุณเจ้า เมื่อมาถึงหมู่บ้านบ้านข้าวนายบ้านกลายเป็นเท่าถานลูกเมียข้าวนายบ้านนั่งร้องไห้มองดูกองเท่าถ่านอยู่ใต้ร่มไม้ชาวบ้านมาดูเหตุการณ์กันมากมายทีเดียวอาแต่ในบ้านข้าวบ้านเจ้าเสียใจเหลือเกินในเคราะกรรมของท่านขอบใจเจ้าจะทำยังไงได้เน่ะมันเป็นเคราะกรรมจริงๆเอในบ้านไป่ต้องวิตกเอาได้พวกข้าวบเจ้ายินดีจะช่วยเหลือโอยขอบใจในความหวังดีของพวกท่านแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ต้องล็อก และเราเองก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจอะไรมากนะครับในบ้านไม่เสียใจหรอไม่เสียใจเลยมันไม่ของธรรมดาดบ้านนี้ไม่ใช่ของเร า, เราถ้าพนเงินทองทรัพย์สมบัติทุกชิ้นที่ถูกเผาไหม<ร>ไปกับบ้านนี้<ร>ก็ไม่ใช่ของเราเรายืมโลกเขาไว้ใช้ชั่วคราว<อ>ในระหว่างที่เรามาพักอาศัยอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเจ้ า, ข, า, จาของเดิมก็คือแผ่นดินเขาต้องการมัของเขาคืนเขาจึงใช้ไฟมาถูกเรา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 เอาสิกุมภกะท่านมีอะไรจะถามการฆ่าสัตว์เป็นบาปหรือไม่เฮ้ถามอะไรง่ายๆอย่างนี้ประหลาดจริงๆการฆ่าสัตว์ใครๆก็รู้ว่าเป็นบาปทังสิน้นแต่บางทีอาจจะเป็นหลุมพรางก็ได้เพราะกุมภกะเลียมจัดนัดคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครกล้าประคารมด้วยว่าไง่ายะพระคุณเจ้า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 เป็นการช่วยส่งเสริมให้เขาฆ่าสัตว์อย่างแน่นอนอัตมายังมองไม่เห็นเลยว่าเป็นการส่งเสริมยังไงก็ท่านไม่คิดหรอกหรือว่าเพราะการไม่กินจึงมีการฆ่าเพราะการกินเนื้อเขาจึงฆ่าถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่าเพราะฉะนั้นการกินจึงเป็นการส่งเสริมการฆ่า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 อาตมาจะไม่บริโภคไปนันคัดทำไมถึงไม่บริโภคขืนบริโภคจะต้องผิดพระพุทธบัญญัติแน่นอนในเมื่ออาตมาปฏิบัติเช่นนี้จะถือว่าเป็นบาปได้ยังไงเอาเธอะถึงท่านจะไม่เป็นบาปเพราะไม่ได้สนับสนุนด้วยกายว่าใจใจโดยตรงก็าตาท่านก็จะต้องเป็นบาปอยู่ดีนั่นแหละบาปอะไร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 ถ้ารู้ว่าของนั้นเขาก้นฆ่าเจ้าทรัพย์นำมาให้แล้วยังขืนรับด้วยใจยินดีไม่พ้นบาปแน่เพราะเท่ากับส่งเสริมโจรกรรมยินดีในบาปกรรมนั้นถ้าอย่างนั้นการที่ท่านพอริโภกเนื้อก็บาปเพราะอะไรเพราะเนื้อนั้นเป็นของไม่บริสุทธิ์เป็นของได้มาจากการปล้นฆ่าชีวิตร่างกายของสัตว์อื่น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 เป็นของไม่บริสุทธิ์เมื่อท่านกินของไม่บริสุทธิ์เช่นดีจะว่าไม่เป็นบาปได้อย่างไรเหตุผลของท่านหลักแหลมหน่าฟังจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าแล้วล่ะสิท่านจนต่อเหตุผลของข้าพเจ้าแล้วใช่ไหมทำไมอาตมาจะต้องจนต่อถ้อยคำนี้ด้วยละ่ะ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 ก็ไม่มีทีท่าว่าจะพ้นจากเขตทะเลทรายเสเบียงอาหารก็ขาดมือลงเหียวเหียวแล้วกันหลายวันแล้วยังไม่มีอาหารตกถึงท้อง อ้ยหิวจนจะนไม่ไหวแล้วฉันกอหิวหิวพ่อพี่นั่นแหละเราจะได้อาหารจากทิ้ไห้ล้วพี่มองไม่เห็นทางเลยอยทะเลทรายเวิ้งวางไม่มีบ้านเรือนสักหลังสัตว์แม้แต่สักตัวก็ไม่เหลียวเราเห็นจะต้องตายอยู่ในทะเลทรายนี้นะพี่นะแน่ละไม่มีอาหารเราต้องตายเราสองคนไม่เท่าไหร่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 จิตใจของชาวบ้านโกกีลาคามก็หันมาเคารพนับถืออย่างจริงใจและวันนี้ก็เป็นวันต้องจากหมู่บ้านนี้ไปพวกชาวบ้านตามมาส่งสิ้นระยะทางประมาณกึง่งโยชนแทบทุกคนมีน้ําตานองหน้าได้ความอาลัยพวกเราเราขอส่งท่านแค่นี้ละขอส่งท่านแค่นี้ขอบใจมากที่อุตส่าห์มาส่งอาตมา อยากให้ทนานกาดไปเลยอยากให้อยู่ที่นี่จนกว่าชีวิตจะหาใหม่ไม่ได้ไดอาตมาก็อยากจะอยู่แต่ว่าอยู่ไม่ได้หน้าที่ของอาตมาคือการท่องเที่ยวไปในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลดุูนกน้อยที่บินไปในอากาศดุูปลาที่แหวกว่ายไปมาในมหาสมุทรอิสรภาพในการท่องเที่ยวคือยอดปรารถนาของอาตมา ความกล้าหาญเด็ดเดียวไม่กลัวตายเป็นพาหะที่นำอาตมาไปท่า น, นดีโดยแท้เชียวจริงจริงความดีนะ่นะเป็นเกราะที่อาตมาใช้ป้องกันตัวตลอดมาเพราะความดีนี่แหละคนจึงรักอาตมาผมไม่ใช่รักอย่างเดียวยังเป็นสุขใจเมื่อท่านอยู่ใกล้อีกด้วยจริ ง, รงด้วย<ม><ถ>วดูมันจะจากไปพวกเราจึงอะไรรักน่ะท่านคะ